ทำไมอนุโมทนาแล้วได้บุญบทความโดยดังตรินจัดทาโดยนารีสุภาุทีกุลบังทีพอได้ยินว่าแค่ยินดีหรืออนุโมทนากับบุญของคนอื่นก็เป็นผู้ได้ส่วนของบุญแล้วอย่างนี้อดสงสัยไม่ได้ว่าทำไมมันง่ายนักต้องเปรียบเทียบกับฝ่ายตรงข้ามแล้วจะเข้าใจครับ คือมีอยู่มากที่เห็นคนอื่นทําบุญแล้วเกิดความหมั่นไส้หรือเกิดความขบขันเห็นเป็นเรื่องงมงายเสียแรงเสียเวลาเสียทรัพยาอย่างนี้นอกจากไม่มีจิตอนุโมทนายัางมีความคิดคําพูดหรือการกระทําในเชิงเบียดเบียนตามมาเช่นอย่างเบาสุดคือคิดค้อนขอดไปต่างๆนานาอย่างกลางคือพูดกระทบกระเทียบเหน็บแนมบัน่นทอนกําลังใจคนทําบุญอย่างหนักสุด คือเข้ากระทำการกีดขวางหรือหน่วงเหนียวไว้ไม่ให้ผู้อื่นทำบุญสำเร็จคงมองง่ายขึ้นแล้วนะครับคนเราอยู่ดีไม่ว่าดีก็ทำบาปได้สารพัดแต่จะต้องอาศัยความเข้าใจหรืออาศัยทุนเดิมเป็นกุศลจิตที่หนักแน่นพอจึงสามารถยินดีตามในกระแสบุญของคนอื่นได้ไหวพูดง่ายๆถ้าทุนเก่าไม่พอก็ต่อบุญใหม่ไม่ได้ ชาตินี้คุณต้องเป็นผู้ทำบุญมาพอสมควรจนเข้าใจได้ว่าบุญน่ายินดีอย่างไรจึงจะสามารถคล้อยตามกระแสความสว่างอบอุ่นของกุศลจิตผู้อื่นไหวหากไม่เชื่อเรื่องอนิสงส์ลี้ลับของการอนุโมทนาบุญก็ขอให้เชื่อสิ่งที่เห็นประจักษ์ชัดง่ายสุดนั่นคือทันทีที่อนุโมทนาคุณจะเกิดความเบาโล่งสบายหัวอกเหมือนจิตสว่างขึ้นอบอุ่นขึ้น และโน้มน้อมไปสู่การคิดอ่านทำบุญทำกุศลด้วยกายวาจาใจด้วยตนเองบ้างแต่ถ้าอนุโมทนาแบบแห้งๆอนุโมทนาไปสงสัยไปอย่างนี้คุณจะไม่เห็นผลทันใจแล้วก็อาจจะถึงขั้นทำกุศลไม่ครบองค์คือใจขาดสมนัตขาดความหนักแน่นขาดความสว่างเป็นกุศลจิตเต็มดวงครับ ถ้าไม่เข้าใจว่าเขาทำบุญแล้วเกิดประโยชน์อย่างไรน่าชื่นใจแค่ไหนก็ไม่ต้องไปฝืนแต่อย่างน้อยถ้าจะเกิดความหมันไส้ก็เตือนเ ต, อนตัวเองไว้หน่อยแล้วกันว่า น, นี่คืออกุศลจิตนะผลักเราให้ห่างจากความอยากทำบุญทำกุศลเพื่อความรุ่งเรืองทางใจนะ